เข้าใจเรื่องกรรมจะเห็นช่องทางแก้กรรมหรือบรรเทากรรมที่ถูกต้องมากขึ้นพิธีตัดกรรมแก้ชงเส้นไหว้ห้อยวัตถุมงคลและการทําอีกหลายอย่างล้วนงมงายและบรรเทากรรมไม่ได้จริงหรือได้ก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคือได้ผลทางใจอย่างพวกที่ตอนนี้กําลังฮิตเลขสวยเบอร์โทรสวยเนี่ยนะฮะความเห็นส่วนตัวคือเลขสวยเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดมีคนบอกว่าเลขเนี้ยใช้แล้วจะรวย ใจคนที่มันฟังปุ๊บอ่ะมันรู้สึกเองว่าเออใช้เลขเนี้ยเรามีสิทธิ์รวยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความมั่นใจมันรู้สึกอยากทําธุรกิจมันรู้สึกเข้าหาผู้คนได้ง่ายขึ้นมันเป็นผลทางจิตวิทยาแค่นั้นเองเพราะถ้าเลขมีผลจริงๆป่านี้คงไม่ต้องมีกฎแห่งกรรมแล้วครับไปหาเลขสวยๆเอาเองอะ่ะการแก้กรรมที่ถูกต้องก็ต้องทําบุญให้ถูกด้านกับกรรมที่เคยทําและครบวงจรรักษาศีลฟังธรรมะ รู้สึกสำนึกผิดและทําจิตเป็นกุศลให้มากที่สุดด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่บางคนทําอยู่แต่ก็พบว่าหลายคนยังมีปัญหาชีวิตถาโถมเพิ่มมาไม่จบสิ้นจนบางคนเริ่มลังเลท้อใจหมดศรัทธาและไม่อยากเชื่อเรื่องผลกรรมเฝ้าคิดแต่ว่าทําดีทําไมไม่ได้ดีสัทีกฎแห่งกรรมเมื่อทําดีแล้วไม่ใช่จะได้ผลดีทันทีนะครับมันต้องรอเหมือนปลูกต้นไม้สิ่งที่ได้อันดับแรกคือส่งให้ทําใจได้ ไม่แค้นเคืองไม่ทุกข์หนักเหมือนเมื่อก่อนถ้าอยากเห็นผลไวก็ต้องทำให้ถูกทางเหมือนใส่ปุ๋ยบารุงต้นไม้ด้วยและก็ย้ำอีกทีนะครับว่าทำดีกับคนเลวไม่มีทางได้ดีเพราะว่าคนเลวมันไม่สำนึกบุญคุณอะคุณลองคิดดูที่ผมเปรียบเทียบไว้อันนี้อาจจะเป็นคำที่หยาบนิดนึงนะครับสมมติคุณทาดีคุณเลี้ยงตัวเฮี้ยไว้ร้อยตัวทั้งร้อยตัวมันจะตอบแทนบนคุณอะไรคุณได้บ้าง ผมถามแค่เนี้ยก็น่าจะคิดกันได้นะครับการทำบุญให้ถูกทางก็เหมือนใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ด้วยซึ่งนั้นก็คือการอธิษฐานจิตและการขอขมา ก, กรรมแบบเจาะจงกับเจ้ากรรมนายเวรประเภทที่มีตัวตนที่ติดตามคอยล้างแค้นเราอยู่เราทุกคนเกิดมาแล้วหลายภพชาตินะครับย่อมเคยทำดีและทำผิดพลาดทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจอาจเคยฆ่าคนและสัต ย่งผัวเมียใส่ร้ายทำร้ายเข้ามาสารพัดแต่ละคนจะมีเจ้าหนี้รออยู่จํานวนมากเวลาทําบุญก็เอาแต่อุทิศให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหวานไปทั่วโดยไม่เคยเจาะจงเคยใช่ไหมครับทุกคนเวลาทําบุญก็จะบอกว่าขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมารับบุญกุศลนี้ด้วยผมถามว่าเราทั้งหลายเนี่ยทั้งหลายมันกี่คนใครบ้างสมมุตินะครับมีผีเจ้ากรรมในเวรของเราประมาณพันคน ทำบุญแล้วพูดอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมารับด้วยบุญก็จะกระจายไปแค่คนละเล็กละน้อยไม่มากพอจะทำให้เขาไปเกิดใหม่หรือไม่มีพลังเข้มข้นพอทำให้เขาหายโกรธได้ยกตัวอย่างเป็นเรื่องจริงๆนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงผีพูดถึงคนนี่แหละสมมุติมีคนมาเผาบ้านขมขืนฆ่าคนรักของคุณและทาร้ายคนอื่นไว้อีกหลายคดีเมื่อตารวจจับได้เขามาขอเข้ามาเจ้าทุกเป็นพันคนแบบเหมารวมทีเดียว เจ้าทุกพันคนยืนเรียงหน้าอยู่แล้วเขายกมือพนมบอกว่าขออภัยด้วยนะครับผมถามว่าทุกคนจะให้อภัยเขาได้ไหมจะให้อภัยเขาได้ยากหรือง่ายกว่าที่เขาเข้ามากราบเท้าเราแต่ละคนกราบตรงเท้าเราจริงๆเฉพาะเราคนเดียวขอเข้ามาเราโดยตรงแล้วต่อมาโดนลงโทษผลโทษออกมาแล้วหรือได้รับการประกันตัวแล้วเขาซื้อเคก้กซื้อขนมมาหาคุณที่บ้านแล้วบอกว่าช่วยรับเค้กนี้ไว้กินด้วยให้อภัยเถอะนะ อย่าโกรธเลยนะอย่าโกรธที่เราฆ่าคมขืนเมียคุณเลยนะอย่าจองเวงกันเลยนะผมถามว่าคุณจะให้อภัยและจะกินเค้กของคนที่ขมขืนแฟนฆ่าพ่อแม่คุณได้หรือเปล่าเขาต้องขอโทษทําดีกับคุณนานแค่ไหนคุณถึงจะให้อภัยได้จริงนี่แค่ยกตัวอย่างคนนะครับแล้วผีก็คือคนที่ตายไปผีก็มีจิตเหมือนคนผีก็ไม่ต่างจากคน มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนคนเดิมทุกอย่างการทำบุญอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยแค่บริจาคเงินถวายของให้พระก็เหมือนกับที่คนร้ายซื้อเค้กมาให้เป็นการขอโทษต่อเจ้าทุกคิดหรือว่าเขาจะยกโทษให้คุณเพียงใช้เงินซื้อบุญมาส่งให้ง่ายๆแบบนี้บางทีเราทำสังฆทานให้เขาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับด้วยนะครับเราแค้นคนที่ทาร้ายเราอยากให้เขารับโทษให้สะสมอย่างไรผีเจ้ากรรมนายเวรก็เช่นกัน ส่วนมากเขาอยากเห็นเราทุกทรมานเป็นการตอบแทนเท่านั้นบุญกุศลส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่อยากได้หรอกขณะท่านพายิะสาเร็จอรหันแล้วคิดดูนะครับยังตามมาเข้าสิ่งแม่โควิดท่านจนตายให้เป็นผู้มีบุญแค่ไหนก็ไม่สนใจขอให้ได้ล้างแค้นเป็นพอองคุลีมานที่ว่าฆ่าคนไว้แล้วกลายเป็นโอหศิกรรมท่านก็ไม่ใช่ว่าไม่รับเวียนกรรมนะครับ ระหว่างที่ท่านบวชอยู่ก็โดนปาหินโดนคนถม่มทำลายโดนคนกลด่าตลอดท่านต้องใช้ความอดทนอย่างมากกว่าจะหมดเวรหมดกรรมนะครับการเกิดมาหลายชาติทำกรรมเว้มากมายคงญาติจะรู้ว่าต้องขอโทษและทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรแบบเจาะจงได้อย่างไรดังนั้นจึงต้องทำความดีให้มากและหลากหลายที่สุดบุญที่เพียงพออาจทาให้เราเจอผู้มีสมาธิขั้นสูงที่บอกถึงกรรมเก่าของเราได้ถูกต้อง หรืออาจมาให้เห็นเป็นนิมิตในความฝันซึ่งผมเนี่ยเจอบ่อยมากนะครับเวลาเจอเรื่องร้ายแต่ละเรื่องแต่ละครั้งจะมาให้เห็นให้รู้เลยว่าเคยทําอะไรกับใครไว้จึงได้รับผลแบบนี้เขาเรียกกรรมนิมิตนะฮะมีตัวอย่างเรื่องแฟนเก่าของผมหลายคนในอดีตนะครับก่อนจะมีปัญหาก่อนจะเลิกกันเนี่ยผมมักจะฝันฝันแบบสะเทือนใจมากแล้วก็เห็นว่าอดีตเราเนี่ยเคยทําผิดศีลข้อ3ไว้อย่างไรมีครั้งหนึ่งที่เห็นและจําติดตาเลยคือ เห็นชายชรามียศมีตำแหน่งชี้หน้าสาบแช่งไว้ชัดเจนมากทั้งชื่อและสถานการณ์นะครับในฝันผมสะเทือนใจมากและรู้สึกผิดมากๆและพอไม่นานจากนั้นผมก็พบว่าแฟนผมมีชู้และสุดท้ายก็ต้องเลิกกันทำเอาผมแทบบ้าเลยนะครับตอนนั้นแทบไม่เป็นผู้เป็นคนและกรำนิมิตเนี่ยผมเห็นมาหลายครั้งนะครับเป็นแบบนี้หลายครั้งจนคิดว่าไม่ได้เพอเจอไปเองแต่เป็นเรื่องของกมนิมิต พอเห็นว่าเกิดจากความชั่วที่ทำไว้เองจึงเริ่มสำนึกผิดเกิดสติตั้งมั่นอยากรักษาศีลและทำบุญส่งตรงให้กับคนที่เราเคยทำร้ายโดยตรงได้ซึ่งมีผลในอุปสรรคในชีวิตผมเนี่ยบรรเทาไปมากเท่าที่สังเกตนะครับถ้าไม่สำนึกผิดก็ต้องเจอปัญหาเดิมต่อไปเรื่อยๆคนทั่วไปคงยากที่จะได้เจอผู้มีฌานขั้นสูงนะครับเพราะของจริงต้องระดับบรรลุธรรมเท่านั้น ซึ่งท่านมักไม่เปิดเผยตัวและอยู่ในที่ซ่อนเร้นดังนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราเป็นใครการทำบุญทุกครั้งให้ตั้งจิตระลึกว่าขออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราทำร้ายไว้รุนแรงที่สุดอันดับแรกขอให้ได้รับก่อนใครไม่แบ่งปันผู้ใดขอให้เขายินดีรับบุญและอภัยในความผิดของเราขอให้เขาได้ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีมีความสุข อย่าต้องมาทุกแสนสาหัสด้วยการตามจองเวรแบบนี้อีกเลยทำบุญทุกครั้งให้ท่องแบบนี้นะครับท่องให้เฉพาะเจ้ากรรมในเวรของเราที่เราทำร้ายเขาเป็นอันดับแรกๆให้เข้ารับเป็นก้อนใหญ่ตูมเดียวไปแล้วก็ไปเกิดใหม่สัทีเราจะได้หมดหนี้หมดสินที่ะคนที่ะคนไปผีที่ตามจองเวรเนี่ยจะทุกข์ใจตลอดเวลานะครับคล้ายเวลาเราโกรธใครในความฝันรู้สึกไหมครับว่า จะด่าจะพยายามทำร้ายเท่าไหร่ก็ไม่หายโกรธบางคนเนี่ยเขายังไม่รู้ตัวด้วยนะครับว่าเขาตามติดเรามาเพราะอะไรเป็นเพราะเขาแค้นเรามานานหลายชาติมากจนลืมจนลืมไปเลยว่าฉันโกรธแค้นเพราะอะไรหรือบางทีก็อยากจะหลุดจากตรงนี้แล้วเพราะยิ่งแค้นยิ่งทรมานแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงเพราะว่าจิตที่ตั้งอธิษฐานไว้จองล้างจองผ่านไว้มันยังไม่เป็นอโหสิกรรม ซึ่งจะเป็นโอหสิกรรมได้เนี่ยมันต้องใช้กระแสบุญกระแสแผ่เมตตาจากใจของเราส่งไปให้เขาให้เขาได้ไปเกิดใหม่ที่ดีด้วยซึ่งเราต้องทาบุญให้เขาด้วยจิตที่สำนึกผิดและปรารถนาดีนะครับปรารถนาดีอยากให้เขาพ้นทุกต้องเข้าใจว่าเขาอะทุกกว่าเราอีกเยอะเขาเป็นผีที่ตามจองล้างจองผาเราเนี่ยเขาทุกกว่าเรามากดังนั้นเราอะอยากให้เขาพ้นทุก ทำบุญก็เพราะว่าอยากให้เขาไปอยู่ในที่สุขสบายไปเกิดเป็นเทพพิดาไปเกิดเป็นคนสัทีไม่ต้องมาทุกข์อย่างนี้อยากคิดทําบุญให้เขาให้เจ้ากรรมในเวรเพราะอยากให้ตัวเองสบายพ้นเวรพ้นกรรมนะครับเพราะอันนี้จะไม่มีผลเมื่อทําบุญให้แล้วหลายครั้งต่อมาก็เพิ่มคําอธิษฐานว่าหากเจ้ากรรมในเวรอันดับแรกให้อภัยและไปเกิดใหม่แล้วขออุทิศบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เหลือในอันดับต้นๆและไล่ลําดับตามลงมา ความหมายก็คือใครอยู่อันดับแรกก็ให้ได้รับก่อนคนอื่นแล้วค่อยรับกันเลียงตางกันลงมาซึ่งผมได้เรียบเรียงเป็นบทสวดภาษาไทยล้วนเพื่ออธิษฐานจิตโดยตรงไว้แล้วนะครับสำหรับกรรมชาตินี้ที่ระบุตัวตนได้เช่นหากเคยทำแท้งคุณต้องตั้งชื่อให้เด็กก่อนและนึกคุยกับเขาว่าต่อไปนี้จะไม่ดีนะว่าหนูชื่อนี้แล้วก็ทาบุญเจาะจงเ อ, อ่ยชื่อให้เขาคนเดียว จำไว้นะครับว่าเวลาถ้าจะทําบุญคนที่ทําแท้งจะทําบุญให้เด็กเนี่ยไม่จําเป็นต้องซื้อของเล่นเด็กหรือขนมเด็กไปถวายพระนะครับเพราะพระท่านใช้ไม่ได้ไม่รู้ว่าเอาเซลล์สมองส่วนไหนคิดกันนะฮะคือบุญมันเปรียบเทียบเหมือนเงินเราทําบุญให้พระจะเกิดบุญมากก็ต่อเมื่อพระได้นําสิ่งของที่เราถวายอไปใช้เช่นบาตรจีวรชุดบวชมีดโกนปากกาน้านะําปลาณอาหารอะไรก็ได้ เราถวายของที่พระท่านได้ใช้แล้วก็บอกว่าขอน้อมบุญนั้นน่ะส่งไปให้ลูกเราไปให้เด็กที่เราเคยทําแท้งแต่ถ้าอยากเจาะจงเป็นของเล่นจริงๆให้ซื้อของเล่นไปให้เด็กชาวเขาไปให้ศูนย์เด็กเล็กไปให้มูลนิธิเด็กพิการซ้ําซ้อนอะไรแบบนี้จะดีกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมมากกว่านะครับเวลาผมเห็นคนซื้อของเล่นเด็กไปถวายพระผมก็อดขำไม่ได้สักทีไม่รู้ใครมันเป็นคนต้นคิดนะฮะ หรือกรณีทำร้ายสัตว์ไว้ก็ให้นึกภาพของสัตว์นั้นเวลาจะทำบุญให้แต่ถ้าสำรวจแล้วชาตินี้ไม่เคยทำอะไรร้ายแรงเลยแต่ยังซวยไม่จบสิน้นก็อาจเป็นกรรมที่ทำกับพ่อแม่หรือการลบหลู่ผู้ทรงคุณธรรมซึ่งควรกราบขอเข้ามาโดยตรงถ้าท่านไม่อยู่แล้วให้กราบเข้ามาขณะสวดมนต์ทุกวันก็ได้คนหลายคนนะครับที่เขาบรรลุธรรมที่เขาเป็นคนดีมีคุณธรรมหรือพระหลายองค์ ที่แม้ภายนอกจะดูไม่น่าเคารพแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังท่านโดนใส่ร้ายหรืออะไรก็ตามแล้วท่านเป็นพระที่ดีหลายคนเนี่ยเผลอไปปลามาไปด่าไปเขียนด่าหรือว่าคิดไม่ดีกับท่านบางทีเห็นพระท่านออกอาการตุ้งติ้งก็ไปนึกในใจด่าท่านมันมีหลายอย่างมากที่กรรมที่เราทำโดยไม่เจตนาดังนั้นก็จึงควรขอขอมากรรมกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาทั้งหลายทุกวันนะครับ